ถ้าหากมันแห่งขึ้นมาเห็นเราจะทำกันยังไงรอนกระซิบเราอยู่สูงพอและไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ามีหมาชนิดใดในโรคนี้ปีนต้นไม้ได้นอกจากพวกหมาไม้ซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทหมาเขาตอบอย่างชวนให้รอนเกิดอารมณ์ขันแต่ในขณะนี้ดารินขันไม่ออกรอนหวาดเสียวต่อภาพเบื้องล่างจนสุดที่จะกล่าวได้ภาพของหมูป่าแต่ละตัวที่ถูกกัดทึ้งเนื้อหลุดเป็นชิ้นชิ้น ภายในพริบตาก็เหลือแต ก, กระดูกความประมาาตื่นเต้นของหล่อนทำให้เท้าเขียกิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งหักหล่นลงไปกลางกลุ่มของมันที่วิ่งพร่านอยู่โคลนต้นพอกิ่งไม้หล่นลงไปกระทบพื้นพวกมันก็แหงเงยขึ้นมาพบครั้นแล้วพริบตานั่นเองเขี้ยวขาวน่ากลัวนับสิบสิบคู่ก็แยกเสียะคู่คารามเห่าเซ็งแซ่ ก, กันอยู่รอบโคนต้นในตาวาวราวกับตาปีศาจ ตะเกียกตะกายอยู่ที่โคนใส่เบื้องร่างทำท่าเหมือนอยากจะตะกายขึ้นมาให้ได้ไม่ยอมพระไปไหนนอกจากจะห่าวล้อมอยู่เบื้องร่างอย่างดุร้ายกระหายเลือดเช่นนั้นแล้วพินส่งเสียงตะเพิดลงไปแต่พวกมันกลับสเสี่ยเคี้ยวคำรามตอบขึ้นมาอย่างกำแหงหานถ้าล้อมดักเฝ้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องอยู่บนนี้ตลอดไปหรือดารินเอ่อยอย่างพร่านใจแต่สีหน้าของพรานใหญ่ดูจะไม่อนาทรร้อนใจอะไรนะัก ก้มลงมองดูฝูงหมาวายร้ายนับร้อยที่เต็มพื้ออยู่ในบริเวณป่าเบื้องล่างแล้วชี้ให้รอนดูไปที่ตัวหนึ่งเท่าและสูงใหญ่ผิดไปกว่าทุกตัวกำลังตะกายแยกเขี้ยวคำรามอยู่เขี้ยวแหลมของมันยาวเกือบสองฟุตใกล้เคียงกับเขี้ยวเสือไอ้น่านจ่าฝูงครับถ้ามันตายเสียตัวหนึ่งลูกฝูงก็คงจะเปิดหมดแต่ก็ยังไม่แน่เหมือนกันถ้างั้นยิงนะลองดูก็ได้ เมื่อกี้ผมห้ามไว้ก็เพราะนึกว่ามันจะไม่เห็นเราแล้วคงไปเองหลังจากขมัมหมูหมดทั้งฝูงแล้วแต่นี่มันจะเล่นงานเราเสียอีกขณะอยู่บนต้นไม้ยังอุตส่าห์คอยเฝ้าดาลินง้างนกปืนกลิ๊กเล็งศูนย์ไปที่หัวอันใหญ่ของเจ้าตัวจ่าฝูงที่กำลังอาปากชะเง้ออยู่ที่โคนต้นแล้วจุดส5 7หม็กน้ำก็ระเบิดกึกร้องสถานดงกบเสียงเห่าหอนของพวกมันหมดสิ้นพร้อมๆกับเสียงปืน เจ้าสีเถาตัวใหญ่ผงะ ก, กลิ้งลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับบริเวณรากใสโดยไม่ร้องแม้แต่คําเดียวกระตุกสองสามครวดก็แน่นิ่งลูกฝูงอื่นๆส่งเสียงร้องลั่นพระตกใจเสียงปืนวิ่งพระออกจากโคลนใสแต่คือออกไปแต่ก็ชั่วขณะเดียวเท่านั้นแล้วก็พลู ก, กันเข้ามาเห่าหอนแยกเขี้ยวกูคำรามรอบคนต้นอีกอย่างดุร้ายกระหายเลือดคราวนี้หล่อนจึงยิงโดยไม่ยัง้งเลือกหมายไปยังตัวใหญ่ ลักษณะท่าทางเป็นหัวหน้าคุมฝูงทั้งนั้นแล้วปล่อยกระสุนออกไปอย่างปลาหนีตทุกเปลี้ยงที่รั่นออกไปเจ้าหมาผีดิบล้มลงดินวายปลานอย่างแม่นยำหล่อนไม่ได้ยิงหมายเพียงนัดละตัวเท่านั้นแต่ยิงอย่างฉลาดคือกะให้ทะลุร้อยพวงไปถูกตัวอื่นๆที่อยู่ในแนววิถีกระสุนอีกด้วยดังนั้นเสียงระเบิดกึดกก้องกมนหน้าแต่ละนัด พวกมันจึงชักดิ้นชักงอไปครั้งละไม่น้อยกว่าสองตัวขึ้นไปบางตัวทะลุไปถูกไม่ถนัดก็เพียงพิการวิ่งร้องล่านป่ามันเป็นการยิงที่ได้ผลอย่างยิง่งอย่างไม่ทันจะหมดชุดแรกหกนัดที่บรรจุอยู่ในปืนหมาผีนับร้อยฝูงนั้นก็แตกฮืออีกครั้งคราวนี้พากันวิ่งกระจัดกระจายส่งเสียงร้องตามสัญชาตญาณเดิมของมันเปิดป่าราบไป เสียงมันวิ่งเหยียบใบไม้แห้งกรูเกลียวห่างออกไปตามลาดับทิ้งซากเพื่อนที่ถูกยิงนอนกลิ้งอยู่เจดตัวใกล้ๆกับกองกระดูกของหมูป่าที่ขาวโพรนกาดเกลื่อนอยู่และเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันจะไม่บังอาจหวนกลับมาอีกระพินควักกลุกปืนไรเฟิลจุดสีห้ที่มีติดกระเป๋าเสื้ออยู่ออกมาโยนลงไปในกองไฟคุกหลุนที่เขาก่อไว้ย่างเนื้อสี่ห้านัดแล้วเตือนให้หล่อนเกาะกิ่งไม้หลบให้ดี เพียงครู่เดียวลูกปืนเหล่านั้นก็แตกระเบิดขึ้นดังสนั่นติดต่อกันเสียงของมันราวกับระเบิดมือปานป่าจะถลม่มไฟกองนั้นกระจัดกระจายฝุ่นครุง้งซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าพวกมันทั้งฝูงจะไม่วิ่งกันหูตูบสิ้นความกำแหงหานที่จะย้อนกลับมาทั้งสองลงมาถึงพื้นเบื้องร่างอีกครั้งภายหลังจากแน่ใจว่าปลอดภัยแล้ว ดาลินมองดูกองกระดูกของหมูป่าฝูงนั้นอย่างอนเนตอนาใจเนื้อบางส่วนและสีรษะของเก้งตัวที่รพินยิงไ ด, ได้ได้ทิ้งไว้ใกล้ๆโดยยังไม่ทันย่างก็พลอยเหลือแต่กระดูกไปด้วยซึ่งก็ไม่มีปัญหาถ้าหากว่าทั้งหล่อนและเขาไม่ได้อาศัยส่วนสูงของไซใหญ่ต้นนี้ช่วยไว้ก็คงจะมีสภาพไม่ผิดอะไรกับกองกระดูกเหล่านั้นทำไมพวกมันถึงดุร้ายน่ากลัวขนาดนี้นะตัวก็ไม่ใหญ่โตอะไรนะัก หลอนคลางออกมาเหมือนจะพูดกับตัวเองเดินอย่างขยาดเข้าไปพิจารณาดูเจ้าจ่าฝูงตัวแรกที่หลอนยิงคว่ำขาที่พรานใหญ่ก้าวตามเข้ามาด้วยใช้เท้าเขีย่ยซากนั้นมันอาศัยจำนวนมากเขาว่าครับตามปกติแล้วหมาในพวกนี้เท่าที่ผมเคยเห็นฝูงหนึ่งมีประมาณไม่เกิน1ิบตัวเป็นอย่างสูงไล่จับสัตว์ขนาดย่อมๆกินและไม่เคยกล้าประจัญหน้ากับคน มันไปยังไงมายังไงไม่ทราบเดินไปรวมฝูงกันได้นับร้อยๆตัวแบบนี้มันก็คือเจ้าป่าเพราะมันรู้ดีว่ากําลังส่วนมากของมันต่อให้สัตว์ใหญ่ก็ต้านมิติดแบบเดียวกับพวกกองทัพปลิงที่เราประจนมานั่นแล้วนั่นแหละครับไอ้หมาชนิดนี้ปากคมมากขยําเข้าที่ไหนก็ขาดที่นั่นแล้วแต่ละตัวก็ดูเหมือนจะมีเชื้อโรคกลัวน้ําด้วยกันทั้งนั้นลงกัดคนเข้าแล้วก็ต้องฉีดยาหลายเข็มทีเดียว แล้วเขาก็าหัวเราะต่าๆเลือบมองดูหน้าอันขาวซีดของหล่อนกล่าวต่อมาว่าดีว่าเราอยู่บนที่สูงแล้วก็ยิงไล่ลงมามันตกใจเสียงปืนประกอบกับไม่มีโอกาสจะได้งานเราได้เลยเพ่นหนีไปถ้าอยู่พื้นราบเดียวกันต่อให้ปืนสักยี่สิบกระบอกก็เห็นจะต้านพวกมันจำนวนร้อยๆเหล่านี้ไม่ติดแล้วเราก็จะกลายเป็นกองกระดูกในพริบตาเหมือนหมูฝูงนี้ ฉันเริ่มเป็นห่วงพวกเราที่กระจัดกระจายพลัดพรากกันอีกแล้วลสินี่ถ้าบังเอิญแต่ละคนเหล่านั้นเผชิญกับไอ้หมาผีฝูงนี้เสียงของรอนแหบผ้าไปอย่างสยองใจพลานใหญ่สัน่นศีรษะหนีขึ้นต้นไม้สูงๆเสียก็ปลอดภัยการหลบหลีกภัยจากพวกมันไม่ยากเย็นอะไรนะักและแต่ละคนพวกเราก็คงมีสติดีพอที่จะคิดถึงความจริงในข้อนี้ได้ถ้าบังเอิญเขาพบมันเข้า แล้วเขาก็เล่าให้หล่อนฟังถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่แล้วก่อนที่ฝนจะตกใหญ่และเกิดน้ำป่าขึ้นดารินพอรู้เรื่องก็แทบพั ง, งะทำไมคุณไม่ปลูกพวกเราขึ้นบ้างในตอนที่มันลงมากินสร้างไม่หิงสาตัวนั้นผมเห็นว่ายังไม่มีอันตรายได้แรงอะไรก็เลยไม่ได้ปลุกและเห็นว่าเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วอยากจะให้พักผ่อนเต็มที่มีผมเกิดแล้วก็แงซายสามคนเท่านั้น ที่ตื่นขึ้นรู้สึกตัวในขณะที่พวกมันผ่านมาสงสัยว่าจะเป็นฝูงเดียวกับไอ้ฝูงนี้แหละตั้งใจว่าจะเล่าให้ฟังในตอนเช้าก็พอดีเจอน้ำป่าเข้าเสียก่อนว่าแล้วก็ก้มลงหยิบหอกไม้ไผ่ที่ทิ้งไว้โคนต้นใส่ขึ้นมาพยักหน้าชวนหล่อนให้ออกเดินทางต่อไปบุกไปตามดงทึบแถบชายํำทานแล้วก็บ่ายหน้าข้ามลูกเขาเตีย้ยๆลูกหนึ่งซึ่งอุดมไปด้วยสักป่าและเตงรัง ดาลินเต็มไปด้วยความหวาดระแวงภัยทุกฝีก้าวปืนสั้นถือกระชับมั่นอยู่ในมือตลอดเวลาการเดินหล่อนเดินอยู่เบื้องหน้าเขาในระยะที่พานใหญ่เอื้อมมือถึงอีกชั่วโมงเต็มๆผ่านไปอากาศเริ่มมืดครึ้มพบเมฆฝนป่านในระยะนี้ตกอยู่ในห่วงสงบไม่มีอะไรแผ่วผ่านไมยเห็นทั้งสิน้นคงจะเนื่องมาจากตื่นภัยของฝูหมาผีดิบ ที่ยกกองทัพเคลื่อนผ่านมาอย่างหมายทำลายร้างทุกชีวิตที่อยู่ในรัศมีของมันพรลงตีนขาวอีกฟากหนึ่งก็เป็นป่าไม้เบญจพรรณแต่ละต้นสูงใหญ่ทะยานเยี่ยมฟ้าแต่ไม่สู้จะรกทึบเหมือนที่ผ่านมานักเต็มไปด้วยระกรรมป่าหลุมพีและหวายฝนเริ่มโปรยพรมเวลาบ่ายรงทุกทีเห็นรอยช้างใหม่ๆที่เหยียบย่ำและหักยอดเกลือถาวนกินเมื่อคือนเปรอะไปหมด ถ่ายมูลไว้กาดเกลือนแทบจะหลีกไม่พ้นดาลินรู้สึกแห้งผากในลำคอขึ้นมาอีกขอน้ำจากกระบอกเขาดื่มหวังว่าเราคงจะไม่ประจันหน้ากับไอแหว่งเข้าอีกในเวลาเช่นนี้นะหญิงสาวพึมพำแหบแหบแล้วก็บุยปากไปที่รอยอันย่ำอยู่สับสนเป็นหลุมบ่อไปหมดเพราะดินอ่อนรอยใหม่หรือเกินคล้ายๆจะเดินล่วงหน้าเราไปเมื่ออึดใจนี้เอง พ่านใหญ่หักกิ่งไม้เล็กๆทดลองจิ้มแทงลงไปในมูลกองหนึ่งแล้วชักขึ้นมาสำรวจดูอย่างเร็วก็เมื่อคือนนี้ครับไม่ใช่หยกๆนี่หรอกแล้วก็ไม่ใช่โขงไอ้แหวงผมคิดว่าคุณหญิงคอยระวังไอ้พวกหมีจะดีกว่าป่าแถบนี้เป็นโดงของมันทีเดียวถ้ายังไงแล้วก็หลบก่อนอย่าเพิ่งยิงแล้วเขาก็บอกให้หล่อนเดินตามรอยด่านช้างนั้นไปเรื่อยๆขณะที่ผ่านบริเวณหุบลึกตอนหนึ่ง หญิงสาวก็หยุดชะงักพราะยินเสียงอะไรชนิดหนึ่งแววมาตามลมประสาทของดอนเร็วพอใช้ทีเดียวในภาวะเช่นนี้แล้วพินเองก็เงี้ยหูเพราะเขาสำเนียกคอยจับฟังเสียงอยู่ก่อนแล้วเสียงแรกมันเป็นเสียงร้องของนกชนิดหนึ่งที่เหมือนคนหัวเราะห้าวห้าต่อมาก็เป็นเสียงคล้ายๆขวานกระทบไม้ดังมาแต่ไกลแสนไกลหูฉันฝาดไปหรือเปล่าดาลินหันมากระซิบ คุณหญิงได้ยินอะไรหรือเสียงเหมือนคนตัดไม้ใกล้ๆทานใหญ่สงบฟังอยู่อึดใจโดยแยกเสียงเสียดสีเป็นจังหวะของกอไผ่และเสียงชนีที่ร้องไกลมาจากยอดไม้เชิงเขาลิบๆิเสียงประหลาดนี้ดังขาดขาดหายไปเมื่อลมโชยพัดมาก็แววถนัดสีครั้งหนึ่งใช่แล้วครับเสียงเหมือนคนโค่นต้นไม้แต่ไกลหรือเกิน เห็นจะไม่ต่ำกว่า 3-4 ี่กิโลเมตรทางด้านเหนือแต่ว่าควรจะมีคนอยู่ที่นั่นสิหล่อนถามโดยเร็วจอมพรานเม้มริมฝีปากหันกลับไปพิจารณาดูรูปขาวที่ผ่านลงมาอีกครั้งแล้วทำหน้างงสั่นศีษะช้าช้าความจริงในละแวก10บกิโลเมตรนี่ไม่มีหมู่บ้านชาวป่าเลยครับจะว่าพวกกะเหลียงที่ผาเยิงมาตัดไม้แถวนี้ก็ใช่ที่ เพราะมันห่างไกลกันหรือเกินแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันพวกกะเหลี่ยงอพยพย้ายถิ่นที่อยู่เสมออาจมาตั้งหมู่บ้านแถวนี้ขึ้นใหม่ถ้าสมมติว่าเสียงนี้เป็นเสียงตัดไม้จริงอันแสดงว่ามีคนกำลังตัดไม้อยู่เราก็ควรจะไปที่นั่นถ้าพบชาวป่าเราอาจถามข่าวคราวถึงพวกเราได้บ้างคุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าความเห็นของหลอนแยบยลทีเดียวฐานใหญ่ก้มศีษะ ก็ดีเหมือนกันครับเราลองเดินหาพวกตัดไม้ดูนี่กระจวนข้าเต็มทีแล้วเผื่อพบหมู่บ้านนอกจากจะถามข่าวพวกเราแล้วเราจะได้อาศัยพักที่นั่นด้วยถ้างั้นคุณนาสิระพินตัดแย่ากด่านช้างเข้าป่าฝากซ้ายมือโดยมีดาลินสาวเท้าตามติดมาด้วยเลาะลัดขึ้นไปตามเชิงเขาแต่แล้วทันทีนั่นเองขณะที่ทั้งสองผ่านใกล้หน้าผามีโขหินใหญ่ราวกับปากทวารยืนต่งงาง่างอยู่สองลูก ในระหว่างตะเคียนคู่ก็ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งอย่างกระทันหันห่างในระยะไม่เกิน19าใต้ชะงนหินใหญ่อันเป็นโพรงลึกเข้าไปในลักษณะถ้ำศาสสามตัวกำลังคลานป้วนเปี้ยนอยู่ที่นั่นครั้งแรกมองดูเหมือนแมวป่าแต่หูที่มนกว่าตัวซึ่งอ้วนกลมมีขนปุกปุยมากกว่าและลักษณะที่คานต่อแตะตบกัดฟาดกันเองกลิ้งไปมาในลักษณะเล่นอันสุกสน จึงรู้ว่ามันเป็นแต่เพียงลูกอ่อนๆอายุไม่เกิน8อาทิตย์ของเสือลายพาดก่อนดารินอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งในลำคอด้วยความตื่นเต้นดีใจลูกเสือทั้งสามตัวกำลังน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียวสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นมันภรรยาที่พบโดยใกล้และเสียงร้องเบาๆของหญิงสาวทำให้เจ้าโครงน้อยผู้ไร้เดียงสาทั้งสตัวพากันลุกขึ้นหันมามองแล้วมันก็วิ่งเรียงแถวเป็นพรวนเข้ามาหาหลอน ประกายตัวโพอพันครุกคลีอยู่ที่ขาหญิงสาวเป็นตาเป็นประกายเปล่งเสียงอุทานสดใสยอยู่เช่นนั้นซดตัวลงอุ้มลูกเสือทั้งสามขึ้นมาโอบกอดรูปคำอย่างแสนรักหล่อนจับต้องเล่นหัวกับลูกเสือที่กำลังสนน่ารักเหล่านั้นก่อนที่ระพินจะขัดขวางหรือตามชิ้นไรทันหล่อนทำหน้าตื่นประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อรู้สึกว่าถูกกระชากไกลายให้ลุกขึ้นยืนโดยเร็วยิ่งฉงนขี่สุด เมื่อเห็นแววตาและสีหน้าอันเครียดหน้ากลัวของเขาบัดนี้ปืนสั้นในซองข้างเอวของหล่อนถูกเขากระชากไปกลุ่มกระชับมั่นไว้ในมือสอดสายสายตาอย่างร้อนรนไปรอบด้านคุณหญิงอันตรายที่สุดไปจับลูกมันทำไมเสียงของเขาเกือบเป็นตะวาดดารินหน้าตื่นทำไมหรือโดยไม่พูดอะไรอีกแม้แต่คำเดียวพรานใหญ่จุดแขนหล่อนให้ห่างออกมาจากลูกเสือโคร่งเหล่านั้น ดึงหลบเข้าไปกำบังอยู่หลังโขดหินกวาดสายตาไปรอบๆลูกเสือพยายามวิ่งตามเข้ามาพันขาอีกแต่เขาเตะพวกมันกระเด็นออกไปคนละทิศทางดาดินร้องแหลมออกมาอย่างโมโหอ้าปากขึ้นแต่ต้องหยุดชะ ง, งักค้างลืมตาโพลงอยู่เช่นนั้นเพราะฝ่ามือข้างหนึ่งของพรานใหญ่ตะคุปปากไว้มัน่นเงียบเสียงนั้นเฉียบขาดชนิดหล่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนระหว่างที่หล่อนยังยืนงงไม่รู้เรื่อง และเต็มไปด้วยโทสะในอาการของเขาและวผนเม้มปากแน่นเงือผุดซึมเต็มใบหน้าแงานกวาดมองไปยังต้นไม้รอบด้านแล้วมาจับนิ่งอยู่ที่ตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งใกล้ใกล้กะช้าแขนหล่อนตรงไปที่นั่นโดยเร็วผลักหลังหญิงสาวบุยปากขึ้นไปบนต้นไม้พูดเร็วปือแทบไม่หายใจยังไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นขึ้นไปเร็วขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถสีหน้าและแววตาตลอดจนอาการของเขา ทำไม่หล่อนไม่อาจที่จะต่อร้อต่อเทียงอะไรอีกแม้จะยังเต็มไปด้วยปัญหาหล่อนจำใจต้องปิดบติตามคำสั่งของเขาตายตามกิ่งเถาวันที่พันอยู่ตามลำต้นขึ้นไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ระพินยืนคุมอยู่ข้างล่างในที่สุดก็ขึ้นไปถึงคาคบใหญ่สูงจากพื้นประมาณ 17-18 ฟุตพรานใหญ่โบกมือให้หล่อนตายขึ้นไปอีกแต่หญิงสาวสันหน้าเป็นความหมายว่าหมดความสามารถ พระาะรยะของลำต้นที่สูงชะรูดขึ้นไปตอนนั้นไม่มีกิ่งพอที่หล่อนจะอาศัยเกาะขึ้นไปอีกแล้วนอกจากลำต้นโดดโดดเหมือนต้นหมากหรือมะพร้าวซึ่งหล่อนตายต้นไม้ชนิดนั้นไม่เป็นแล้พินยืนสงบนิ่งตาคมวัยอยู่ที่นั่นอึดใจเดียวก็เริ่มเคลื่อนไหวอ ย, อย่างระมัดระวังสำรวจ ด, ดูบริเวณ น, นั้นโดยตลอดพบว่าใตา้ชงอนหินตำแหน่งนั้นเป็นซอกถ้ำลึกเข้าไปประมาณสิเมตร ภายในเต็มไปด้วยกองกระดูกขาวโพรนไม่มีปัญหามันเป็นถ้ำพักของนางรายพาดก่อนตัวที่เป็นแม่ของเจ้าเล็กๆสามตัวนี่แน่ๆรอยของมันย่ำไว้เป็นเทือกบนพื้นดินอ่อนห่างออกมาเล็กน้อยทั้งรอยก่าวและรอยใหม่โชคดีหรือเกินที่นางแม่ของมันไม่ได้อยู่ในบริเวณถ้ำด้วยในขณะนี้แต่มันจะต้องวนเวียนกลับมาดูลูกมันภายในเวลาไม่นานนัก หรือขณะ น, นี้อาจกำลังใกล้เข้ามาแล้วก็ได้แล้วพินสำรวจดูรูปทางคร่าวๆแล้วปาดตรงมาที่รูปพยักรลายทั้งสตัวและโดยที่ไม่สนใจคำนึงถึงเสียงร้องห้ามเสียงหลงของดา ล, ลินที่กระโกนแหลมลงมาจากยอดไม้จอมพลานชักมีดเดินป่าออกจากซองข้างเอวก็นำฟันลูกเสือเหล่านั้นชักดิ้นชะงอตายหมดแล้วกระโจนขึ้นต้นตะเคียนต้นเดียวกันกับหลอนตายขึ้นไปโดยเร็ว ไม่กี่พริบตาเขาก็ปาริหารขึ้นมาอยู่บนคบเดียวกันกับหลอนผู้ซึ่งในขณะนี้จ้องตาลุกวาวมาด้วยความขืนขุนเคืองโกรธแค้นใจร้ายคนอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เที่ยมโหดเกินไปแล้วลูกเสือเล็กๆสามตัวกำลังน่ารักนั่นมันมีภายอะไรนักหรือคุณถึงฆ่ามันได้หลงคอฉันอยากจะฆ่าคุณเสียจริงหลอนกัดฟันพูดเขาไม่ถือสาในอารมณ์เกลียวกราดของหลอนหัวเราะหึห่อยู่ในราคอ ยังคงกลาวสำรวจลงไปเบื้องล่างไม่กระพริบปากก็บอกเรียบๆว่าประเดี๋ยวคุณหญิงก็เห็นเองว่าอะไรมันเป็นอะไรทำไมหล่อนเน้นเสียงสั่นอย่างไม่หายคล่องใจจ้องมองดูเขาด้วยสายตาผิดหวังขมขื่นทำไมคุณต้องฆ่าลูกเล็กๆของมันด้วยถ้าคุณฆ่าแม่มันฉันจะไม่สงสัยอะไรเลยโธ่นี่ลูกตัวนิดเดียวเชื่องด้วย ลพินควักบุหรี่ออกมาส่งให้หล่อนแต่หญิงสาวปัดมือไปโดยแรงเขาจึงสูบเองพลางหมุนลูกโม่ซิงเกิลแอคชั่นในมือสำรวจกระสุนเพื่อความแน่ใจอีกครั้งความจริงผมเองก็ไม่อยากฆ่ามันถ้าไม่ใช่เพราะคุณหญิงไปจับต้องพวกมันเข้าจะห้ามก็ห้ามไม่ทันคุณหญิงยังไม่ทราบว่าเสือแม่ลูกอ่อนร้ายกาศสักขนาดไหนลงมันได้กลิ่นมนุษย์ที่มาจับต้องลูกขาลูกๆของมันแล้ว มันเป็นตามน้าชนิดถึงไหนถึงกันทีเดียวและเราก็ไม่มีทางจะหนีพ้นในภาวะเช่นนี้ถ้าคุณหญิงไม่จับต้องลูกๆของมันเราอาจปลีกหนีเดินหลบไปเสียโดยเร็วแต่นี่ไม่มีทางแล้วผมก็เลยจำเป็นต้องฆ่าลูกมันเสียรู้แล้วรู้ลอดประเดี๋ยวนางแม่มันก็คงกลับมาแล้วทีนี้มีอยู่สองทางเท่านั้นไม่มันก็เราไม่มีทางเลือกจริงๆโปรดจะโกรธผมเลยหล่อนอึ้งไปแต่ยังไม่วายแคลงใจ ทำไมก็เราไม่ได้ทำอะไรลูกมันนี่อุ้มเล่นเท่านั้นแล้วเราก็าไปมันกลับมาพบลูกมาอยู่ในสภาพเรียบร้อยมันก็น่าจะพอใจแล้วแล้วพีนหัวร้อดต่ำๆในรำคอถ้าเสือมันมีมโนธรรมความสำนึกผิดชอบได้อย่างมนุษย์มันก็ดีนะสิครับผมบอกแล้วว่าถ้ามันได้กลิ่นคุณหญิงติดอยู่ที่ลูกๆของมันแล้วก็มันจะต้องค้นหาคุณหญิงจนพบเราเดินป่ากันเพียงสองคนมีปืนสั้นกระบอกเดียว ยังแทบไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนจะดีหรือครับที่ให้เสือแม่ลูกอ่อนย่องตามหลังเราอยู่หล่อนอึ่องไปอีกครั้งกัดริมฝีปากเสียงเบาๆอย่างปลอบใจของรพินดังมาอีกว่าสมมุติว่าเรายังไม่หลงจากพวกเรามีแคมป์พักและมีกําลังพร้อมเหมือนอย่างเคยผมจะไม่ห้ามคุณหญิงเลยหากคุณหญิงอยากจะได้ลูกเสือสามตัวนั่นไปเลี้ยงแล้วค่อยหาทางรับมือกับนางแม่มันภายหลัง ดาลินถอนใจยาวหล่อนเพิ่งจะเข้าใจถ้างั้นขอโทษที่ฉันรุนแรงกับคุณเมื่อกี้มันสะเทือนใจหรือเกินที่เห็นคุณฟันลูกเสือเล็กๆ เ, เหล่านั้นตายหมดต่อหน้าต่ ต, ตาฉันมันกําลังน่าราักน่าเอ็นดูนี่แปลว่าตรงจะ ง, งอนหินนั่นเป็นรังของมันหรือครับถ้าของมันเลยกระดูกเกลื่อนไปหมดดูเหมือนจะเห็นหัวกระโหลกคนอยู่ด้วยสองสำหัวแต่เป็นกระโหลกเก่าๆคงนานมาแล้ว มันมาออกลูกอยู่ที่นี่ลูกเสืออายุอ่อนๆน่ารักทุกตัวเพราะมันยังไม่ประสีภาษาไรชอบเล่นกับคนเหมือนแมวทุกครั้งที่ผมพบลูกเสือผมไม่เคยฆ่า ม, มันเลยนอกจากจะจับเอาไปขายและถ้าเอาลูกมันทีไรก็ต้องฆ่าแม่มันก่อนทุกทีแล้วนี่เราจะทำกันยังไงสงบคอยมันอยู่บนนี้แหละครับไม่มีทางจะเคลื่อนไหวไปไหนได้อีกแล้วจนกว่ามันจะกลับมาที่ลูกของมันแล้วคราวนี้ อย่างที่ผมบอกแล้วไม่มันก็เราทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดจนกระทั่งได้ยินเสียงลมหายใจขณะนั้นอากาศในดงเริ่มขมุกขมัวลงแล้วอีกไม่นานมันก็คงมืดสนิทเวลาในดงทึบมักจะมืดเร็วเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคลึมไปด้วยพายับฝนเช่นนี้ทั้งสองตกอยู่ในภาวะที่ต้องนั่งแขวนอยู่บนยอดไม้อีกครั้งโดยยังไม่สามารถจะทานายเหตุการณ์เบื้องหน้าได้ถูก นอกจากจะสงบจิตนั่งนับจังหวะเต้นของหัวใจตนเองเมื่อกระแสลมอันเย็นเฉียบพัดผวนมาจากทางด้านเหนือเสียงคมขวานกระทบไม้ก็ยังพอจะแว่วมาให้ได้ยินเป็นจังหวะไกลแสนไกลประเดี๋ยวขาดหายไปประเดี๋ยวก็แว่วขึ้นอีกลาชนิกูลผู้เป็นนายจ้างสาวกัพรานนำทางหนุ่มไม่ได้พูดคำใดกันอีก ต่างนั่งสงบนิ่งกว่าสายตาสำรวจลงไปยังการเคลื่อนไหวเบื้องร่างทุกขนะขคาคบไม้ตำแหน่งนั้นกว้างขวางพอที่จะประคองตัวอยู่ได้แต่หมายความถึงว่าต้องไม่มีการเผลอตัวด้วยและจำกัดอิริยาบถไม่สามารถจะขยับกะเยื้อนกายได้ถนัดนักหลอนเห็นดรพินถอดเข็มขัดผ้าของเขาออกมาใช้ปลายข้างหนึ่งมัดด้ามปืนสั้นของหลอนไว้อีกข้างหนึ่งผูกมัดติดกับข้อมืออย่างแน่นหนา หล่อนก็เข้าใจในทันทีว่าเขาป้องกันไม่ให้ปืนซึ่งมีอยู่เพียงกระบอกเดียวนั้นพลัดหลุดห่างไปจากตัวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นอันหมายถึงความรอบคอบไม่ประมาทเป็นนิสัยส่วนตัวที่เกิดจากความเคยชินต่อสถานการณ์อย่างดีมาแล้วเวลาผ่านไปอย่างชื่องช้าเต็มไปด้วยความทรมานกระสับกระสายอย่างยิ่งสำหรับดารินวราฤิ์ ตรงข้ามกับแสงสว่างของกลางวันที่กลับมืดลงอย่างห้วบหาพทันใดนั้นท่ามกลางความเงียบสงัดก็มีเสียงกิ่งไม้ลั่นมาจากที่ใดที่หนึ่งอย่างเบาในการตั้งใจสดับฟังเช่นนี้เสียงของมันได้ยินอย่างถนัดจากนั้นก็มีกลิ่นสาบสารเหมือนสัตว์ตายซากโชยมาตา ม, มลมพรานใหญ่ขยับตัวอย่างแผ่วเบาชําเลืองไปทางหญิงสาวเห็นหล่อนจ้องอยู่ที่เขาก่อนแล้ว ยอดของพุ่มไม้ดิมโคทินเบื้องล่างด้านหนึ่งแลเห็นสั่นไหวน้อยน้อยและมีเสียงดินในลําห้วยถล่มร่วงพลูอันเกิดจากการตะกายขึ้นมาของอะไรชนิดหนึ่งครั้นแล้วอึดใจใหญ่ต่อมานั่นเองสิ่งอันเป็นต้นเหตุของสาบสางและพุ่มไม้ไหวก็ปรากฏร่างของมันขึ้นแม้จะคเนดได้ถูกต้องมาก่อนแล้วก็ตามเนืบบ้อบาทนี้เลือดในกายของหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินเวลาลิศแทบจะจับแข็งเป็นก้อน จ่องตะลึงตามไม่กระพริบส่วนหัวอันใหญ่โตสีน้ำตาลเข้มจนดูเป็นแดงสลับเส้นริ้วดำโผล่ออกมาก่อนพร้อมกับดวงตาอันเขียวเข้มแล้วร่างพ่วงพีกํำยามราวกับม้าก็กลายลับพุ่มไม้ออกมาให้เห็นทั้งตัวถ้าไม่แปลกอกก็เฉียดเฉียดไปและตามความรู้สึกของหญิงสาวในขณะนี้สมมติว่ามันกระโจนพรวดเดียวก็คงจะเลยตำแหน่งคาคบที่หลอนและพรานใหญ่ซุ่มตัวอยู่เป็นไหน นางพยักกล้ายหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่วาดฐางไปมาช้าช้าแล้วส่งเสียงคำรามขึ้นเบาๆครั้งหนึ่งเหมือนจะเรียกลูกๆของมันเมื่อไม่เห็นลูกปรากฏตัวออกมามันก็ตะแคงคอคล้ายจะพิศวงพรางเดินเลาะโขดหินเข้าไปทางโพรงถ้ำจังหวะ น, นี้เองหล่อนได้ยินเสียงคลิกขึ้นเบาๆมันเป็นเสียงง้างนกจากปืนในมือของระพินหล่อนรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกเกาะกิ่งไม้ไว้แน่นด้วยมืออันสั่นเทา เพียงพริบตาเดียวที่นางลายพาดก่อนหายรับเข้าไปในโรงถ้ามันก็พุ่งปลาดออกมาที่กลุ่มโขดินอาการเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายลุกลนเอาจมูกดมตามพื้นอย่างรวดเร็วพุ่งไปทางด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนจะค้นหาร่องรอยและพินยกปืนขึ้นเบนศูนย์ตามแต่เขาก็ไม่สามารถจะปล่อยกระสุนออกไปได้สําหรับเป้าหมายที่เห็นเพียงรับรับล่บรอๆและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วข้างล่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปืนในมือเขาในขณะนี้เป็นแต่เพียงปืนสั้นดารินภาวนาที่จะได้ยินเสียงปืนระเบิดขึ้นแต่เท่าแล้วเท่ารอดหล่อนก็ไม่ได้ยินอากาศที่แวดล้อมรอบกายค้นและหนักไปหมดริงสิทำไมไม่ยิงหล่อนตะโกนก้องอยู่ในใจนางเสือแม่ลูกอ่อนหมุนสูดกลิ่นอยู่เป็นวงกลมแล้วมันก็ตามกลิ่นอย่างรวดเร็วบ่ายหน้าตรงไปยังโขดหินก้อนใหญ่ตาแหน่งที่ลูกๆของมันนอนตายอยู่ พอเห็นก็ทลาพวดเข้าไปสูดกลิ่นดมอยู่ที่ลูกๆของมันทั้งสามตัวกม้กมๆเงยๆลุกลนอยู่เช่นนั้นราวกับว่ามันกำลังพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันสะเทือนใจขี่สุดระพินเลงแต่ให้ตายเถอะเขาไม่มีโอกาสเลยส่วนหัวและลำคอของมันถูกบังอยู่ในแนวซุ้มไม้และโขดหิน ท, ที่ขึ้นอยู่ระเกะระกะไปหมดและเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะย้ายที่เลือกหาเป้าหมายที่ต้องการได้นอกจากรอคอยจังหวะเท่านั้น มันดมฟุตฟิตงุนง่านอยู่ที่ซากลูกๆแล้วก็เงยขึ้นหมุนคว้างหันลีหันขวางตาเขียวปัดบัดโดนก็เพนแผลหายเขาดงไปอย่างรีบด่วนเกลี้ยกลาดเสียงคำรามกระหึ่มดังห่างออกไปทำไมคุณไม่ยิงดารินกระซิบแทบจะไม่มีเสียงพรานใหญ่ปาดแขนเสือ้อขึ้นเช็ดเหงื่อบนหน้าผากเห็นจุดสำคัญไม่ถ น, นัดต้องยิงนัดเดียวให้อยู่ไม่งั้นเราเสร็จเขาตอบแห บ, แหบ แล้วนั่นมันไปไหนยังเดาไม่ถูกมันอาจตามหาต้นเหตุที่ทําให้ลูกมันตายก็ได้มันกําลังงุ่นงานโกรธแค้นไม่ถึงสิบนาทีหลังจากนั้นเสียงสวบสาบก็ดังจากดงทึบเบื้องล่างอีกครั้งแล้วสิ่งที่โผล่ออกไม้เห็นแทบจะทําให้ระพินดาลินพงะตกต้นไม้เนื้องเสือคล้วยตัวนั้นกลับมาแล้วไม่ได้กลับมาตัวเปล่าสิ่งที่มันลากมาด้วยคือร่างของมนุษย์ผู้หนึ่ง ถูกรอยเขี้ยวเล็บตะปบขย่ำยับเยินรวดโซมไปทั้งกายร่างนั้นไม่มีวิญญาณเหลืออยู่เสียแล้วลักษณะเป็นพวกตัดไม้ในป่าไม่อาจกำหนดสันฐานของใบหน้าได้เพราะถูกขบแหลกเหลวไปหมดในตาทะลักออกมาห้อยรุ่งริ่งศพอันน่าสังเวทซึ่งถูกสังหารมาอย่างสดสดร้อนๆ้อนนั้นถูก ล, ก, กลากกรากมากับพื้นด้วยพลังมหาศาลของมันนามาวางไว้ข้างๆกับซาก ข, ของลูก นางเสือร้ายกลับมาดมที่ลูกมันและดมที่ศพมนุษย์สลับกันอยู่ครู่ก็โจรแผลวหายเข้าป่าไปอีกระพินพลาดโอกาสที่จะลั่นกระสุนเป็นครั้งที่สองบัดนี้หน้าของหญิงสาวขาวซีดปราศจากสีเลือดกายสั่นเทิมพวกตัดไม้ที่เราได้ยินเสียงมันฆ่าเขาเสียแล้วหล่อนครางแทบไม่เป็นภาษาระพินไม่ตอบคาใดทั้งสิ้น ในช่วงระยะเวลาที่ห่างพอๆกันกับครั้งแรกมันก็โผล่กลับมาอีกครั้งดารินรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นลงในบาดนั้นสิ่งที่มันลากมาก็คือศพของชาวป่าตัดไม้อีกคนหนึ่งบาดแผลเวอะหวาไปทั้งตัวอย่างน่าสยองไม่ผิดอะไรกับคนแรกและด้วยอาการเดิมไม่มีผิดมันลากศพไปวางรวมไว้ข้างๆศพลูกของมันเดินวนเวียนดมอยู่เช่นนั้นพรานใหญ่กัดกลามแน่น เขาต้องการเป้าศีรษะหรือมิฉะนั้นก็ก้านคอของมันแต่เหมือนจะมีอะไรมาปิดบังโอกาสนี้ไว้เสียนางเสือร้ายไม่เปิดจุดตาให้แกเขาได้ถนัดเลยดาลินพูดอะไรไม่ออกอีกแล้วอาการนิ่งขึงไม่ติงกายเหมือนจะถูกสาไม่กลายเป็นหินบอกให้ทราบว่าหล่อนกำลังช็อกหรือมิฉะนั้นก็ถูกสะกดโดยเหตุการณ์สยองขวัญที่เห็นคาตาอันไม่เคยคิดคาดฝันมาก่อนว่าจะได้พบนบัดนี้ ดงเบื้องลากถูกปกคลุมอยู่ในเงาสรวพอจะมองเห็นอะไรได้เพียงรางๆเท่านั้นอากาศมันหนาวเย็นจับคู่หัวใจยังบอกไม่ถูกพรานใหญ่จุดบุหรี่ขึ้นสูบอีกครั้งสะกดกั้นอารมณ์ให้คืนสู่สภาพปกติเขากำลังรอคอยคอยมันต่อไปได้วยความอดทนซึ่งเดาไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะลงเอยเอาอย่างไรระหว่างนางพยักร้ายผู้กระหายเลือดตัวนั้น กับจอมพรานเช่นเขาซึ่งตัดสินใจเด็ดขาดว่าในครั้งนี้จะยิงทันทีไม่ว่ามองเห็นส่วนใดของมันโขดหินพงไม้และซากศพของคนเคราะห์ร้ายทั้งสองมองเห็นเพียงเงาตะคุ่มตะคุ่มเต็มไปด้วยภาพลวงตาน้าบัดนี้เขาก็ดีหรือดาดินเองก็ดีลืมทุกสิ่งทุกอย่างหมดสิน้นพวงจดจ่ออยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังเผชิญอยู่เท่านั้น แต่วินาทีที่ผ่านไปมันนานแสนนานเสียงพงไม้ไหวดังขึ้นอีกปืนในมือของเขาพร้อมภาพปรากฏในสายตาดารินท่ามกลางความสรุวรางนางเสือลายพาดกรอนตัวนั้นวิ่งเหาะแยกเขี้ยวขาวพ้นมุมโขดหินใกล้โคลนตะเคียนที่ขึ้นไปหลบอยู่ในขณะนี้ออกมาดารินแทบจะหวีดร้องออกมาดังๆเพียงแต่ว่าในขณะนั้น เหมือนมีอะไรมาบีบคอหอยของหล่อนไว้ไม่ให้เสียงใดๆผ่านพ้นลาคอออกมาได้สายตาของพรานใหญ่ในขณะนี้จะมองเห็นเช่นไร